อปติวานิตาปทธาณสิมิงอปติวานังสุทาหงปะทะหามิอปมาทาทิคตาโปทิอัปมาทาทิคาโตอนุตโรโยคะเคโมเราเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียรเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับ ก่การปรารูเป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตระโยคเก็ยมาทำก็เป็นสิ่งที่เราถึงทำแล้วด้วยความไม่ประมาทในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อสมุฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเ็มาทำจิต ให้มีความสงบให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเล้นในช่วงของจิตตะวิเวกด้วย ก, การเรามีนัดกันทุกบฟังมาทำสมาธิทำจิตให้สงบเข้าสมาธิเลยปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบทำไปปฏิบัติไปด้วยกันวันนี้เราจะเจริญพุทธานุสติ คือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วเรื่องที่เราจะระลึกนี้เป็นเรื่องตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตหมายถึงบุคคลที่ปรารถนาสัมมาสัมปวิยานยังไม่ได้บรรลุธรรมเดินตามสายเส้นที่จะให้เกิดอนุตตรสัมมาสัมปวิญานในช่วงก่อนการตรัสรู้นั้น กี่บารมีใดๆบำเพ็ญมามันมาสูงสุดสุดสุดถึงสุดๆุดพรตรงที่การบรรลุธรรมตรงที่การบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมจึงเป็นจุดที่เริ่มต้นของความเป็นสัมมาสัมพุธทธะพระพุทธศาสนาทั้งหมดมันก็เริ่มต้นมาจากจุดตรงนี้ตรงการบรรลุธรรมจุดที่ว่ามันจะ เข้าถึงการบรรลุธรรมเหมือนเราจะสอยเข็มให้ได้เข้าไปได้เนี่ยจุดที่มันจะเข้านี่แม่มันสำคัญจริงๆเพราะมันร้อยเข้าไปกันแล้วมันก็ใช้งานได้ในวันนี้จึงจะให้ธัมโฟังได้ตามประลึกถึงพระพุทธเจ้าในจังหวะก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงกมำพุดโท พุโทโธพุโทโธตั้งพุโทโธไว้ในใจซะ ก, ก่อนพอเรามานึกถึงคำว่าพุโทโธพุโทโธไวในใจให้เอาพุโทโธนั้นเป็นเหมือนกับป้อมยามหมายถึงยามที่เขาจะมาเฝ้าอยู่ที่ประตูได้ก็ต้องมีที่อยู่ที่นั่งที่ยืนในเขาก็ทำป้อมเอาไว้อยู่แล้วยังไงก็โปรตราเฝ้าระวัง คนที่จะเข้าจะออกอยู่ที่บริเ ป, ประตูไงร่างกายของเราจิตใจของเรามีประตูอยู่ทั้งหมด6ประตูด้วยกันประตูตาให้แสงให้ภาพเข้ามาประตูหูให้เสียงเข้ามาจมูกลิ้นกายและประตูใจให้สิ่งที่เป็นนาม คือทำมารมความคิดนึกความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเข้ามาได้สิ่งที่เข้ามานั้นจิตก็จะไปกลัวกลัวจะเลอเปลินตามไปนั่นก็จะไม่ดีในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราตั้งสติเอาไว้โดยการที่ให้สติเปรียบเหมือนเป็นยามเป็นนายทวารที่เฝ้าประตูเราสติอยู่ตรงไหนอะ สติคือการระลึกได้เวลาที่เราระลึกถึงพุทธโธนึกได้น่ะ น, นึกได้เมื่อไรระลึกได้เมื่อไรความระลึกได้ความนึกได้นั้นคือสติง่ายๆแค่นั้นเองตัมโมฟังไม่ได้ยากเวลาเราได้ยินเสียงเราก็มีลืมพุทธโธอย่างเวลาที่ทัมโมฟั ง, งได้ยินเสียงครับพ่เจ้า ก็ไม่ลืมพุโทโธเสียงผ่านมาใช่ไหมเข้าหูมาสู่ในช่องทางใจละในช่องทางใจเราก็นึกพุโทโธอยู่ก็ได้ยินเสียงอยู่เออนี่แหละพุโทโธนั้นเปรียบเหมือนป้อมยามความระลึกได้นั้นเปรียบเหมือนสติเสียงภายนอกที่เข้ามานั้นคือเป็นคนเข้ามาผ่านประตูหูไงในชมวงาที่มันมาเนี่ย ก็แปะว่าสติของเรามีกำลังใช่ปะเสียงที่หน่าพอใจสิ่งที่ไม่หน่าพอใจเข้ามาแล้วจิตเราจะได้รับการรักษาหมายถึงก็ไม่อยู่ที่หน้าประตูนะแต่จะเข้าไปสู่สะสมไว้ฝังลงไปในจิตของเราไม่ได้เปราะสติรักษาไว้อยู่ที่ประตูเข้าไม่ได้คือรับรู้ได้อยู่นะ แต่เข้าไปฝังลงในจิตเนี่ยไม่ได้หรือความคิดนึ ก, กได้ครับความคิดนึกเป็นธรรมารมใช่ป่ะเราอาจจะคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องเงินทองเรื่องสุขภาพเรื่องญาติพี่น้องเรื่องเพื่อนเรื่องนักการเมืองเรื่องอะไรก็ตามความคิดเหล่านั้นทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นธรรมารมใช่ไหมธรรมารมก็คือเหมือนเป็นบุคคลที่กาลังเดินผ่านเข้ามาสู่ประตู ในที่นี้คือใจมาจากกรรมมโนเราตั้งป้อมยามขึ้นคือพุทโธไว้การมานึกถึงพุทโธนั่นคือสติสติเป็นยามก็มาอยู่เฝ้านาที่นั้นมียามอยู่เฝ้าแล้วความคิดนึกเรื่องใดๆผ่านมาแล้วใช่ไหมจิตมันจะฝังลงไปในความคิดหรือไม่จิตมันจะยึดถือเกลือกลัว ยินดีหรือยินร้ายลงไปในความคิดที่เข้ามาทางใจนั้นไหมถ้ามีสติมันก็ไม่ไปไงสติจึงเป็นตัวที่รักษาจิตรับรู้อยู่แต่ไม่กลัวกลัวเผลอเพลินปัปลปกลงไปฟังลงไปในความคิดนั้นเสียงนั้นภาพนั้นกลิ่นนั้นที่ผ่านมาตั้งพุทโธขึ้นเอาไว ระลึกถึงพุทธทไว้ในใจเจริญพุทธานุสติแล้วมาใคร่ครวญพิจารณาถึงพุทธประวัติในตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ตั้งไว้ซึ่งอัปปติวานีคำว่าอัปปติวานีหมายถึงการไม่ถอยหลังการไม่ถอยกลับ เมืนอย่างในบทสวดธรรมจักรกระบวตันนะสูจะมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงการหมุนกง้อไปที่จะไม่สามารถหมุนควนกลับได้อภิติวติยังซึ่งหมายถึงว่าจะปฏิวัติซ้ำให้หมุนควนกลับหรือปฏิวัติแล้วปฏิวัติอีกมันมันไม่ได้นะคือมันทําได้ไปทางเดียวแล้วจบเลยคือไม่สามารถที่จะ โต้แย้งกลับให้เป็นไปอย่างอื่นด้วยเหตุผลที่สมควรได้นั่นคือหลังจากตรัสรู้แล้วเดินทางไปที่แขวงเมืองปาราณสีที่สารนาได้แสดงธรรมนั้นขึ้นวรที่จะตรัสรู้ธรรมะที่หมุนวนกลับไม่ได้ก็ต้องตั้งไว้ซึ่งความเปลี่ยนที่ไม่ถอยกลับ ไม่ถอยกลับหมายถึงยังไงท่าวรังหมายถึงไม่สําเร็จไม่เลิกกลางกันยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราตั้งใจว่าเออวันนี้ฉันจะอา่านหนังสือหรือพระมหาไภัยบูร์อย่างเงี้ยตั้งใจว่าวันนี้ฉันต้องอ่านพระสูตรนี้ให้จบอ่านบันทึกเสียงแต่ถ้าทําไปโอ้ยทําไปสักครึ่งชั่วโมงมันเหนื่อยแล้วนะ เหนื่อยแล้วก็เอาพักก่อนก็แล้วกันยังไม่สำเร็จถ้าไม่สำเร็จแล้วก็เลิกกลางคันอันนี้คือไม่ใช่อปปติวานีเพราะว่าถ้าเป็นความไม่ถอยกลับคืออปปติวานีถ้าไม่สำเร็จไม่เสร็จสิ้นเรื่องที่ได้ตั้งใจเอาไว้จะไม่เลิกในระวางตั้งใจแบบนี้ พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ที่มาตั้งใจแบบนี้ได้นะตุกฝั่งมันไม่ได้หมายความว่ากําลังใจนี้มาเต็มที่นะหรือไม่ได้หมายความว่าตั้งใจครั้งเดียวแล้วมันจบนะเรามาไล่เรียงในเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ทำทุกกรกิริยาแบบเต็มที่เลยนะจับท้องถึงหลัง จับหลังถึงท้องสิโครนี้แบบปูดขึ้นท้องกิ่วลงตาดิโบเป็นเบ้าลงไปอีกนิดเดียวจะตายแล้วอีกนิดเดียวจริงๆแค่ถ้าหยุดลมหายใจไว้สักนิดหนึ่งนีดบุก ม, มกก็กตายเลยล้มลงไปทั้งสามสี่รอบลมมต้องยืนนะไม่มีแรงมาคิดว่าโอ้ยนี่มาเจอ เป็นทางการตระสรู้ได้ไหมเนาะคุยถ้าได้ม่าจได้มาทั้งนา น, นะนั้นเลพราะว่ามันเต็มที่แล้วนะ่ะทรมานตนเองจนคิดว่าในเอ็นหนังกระดูกไม่เหลืออะไรแล้วนะ่ะเหลือแต่กระดูกแค่หนังนะ่ะเนื้อเลือดนี่แทบจะไม่มีละจึงมาคิดได้ว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ทางแล้วอันไหนจะใช่ทางเป็นทางได้มานึกถึงในสมัยยังเป็นเด็ก อยู่ในงานแรกนาที่พวกชาวสากยะเข้าไปเตรียมการเพราะปลูกเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่จะไปทำนาทำไร่ทำสวนในงานนั้นนั่งอยู่ใต้ต้นว่านั่งแล้วจิตใจสงบช่วงนั้นพวกผีเลี้ยงคนที่คอยรับใช้ก็ไปดูว่าพระโคจะกินอะไรนะ เออก็ไปเฝ้าดูตรงนูน้นส่วนพัวโพธิสัตว์เป็นเด็กน้อยอายุประมาณเจ็ขวบอยู่คนเดียวก็นั่งนิ่งๆนิ่เ ง, ง, ง, ง, ง่ไม่ได้คุยกับใครเออจิตมันสงบลงนะระงับลงเย็นลงนุ่มนวลลงได้ชานที่หนึ่งได้ชานที่หนึ่งจิตใจในี่เย็นนุ่มนวลตอนที่ทำทุกกรกิริยานั่นแหละมันนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงคิดว่าเอนี่จะใช่หนทางแห่งการตรัสรูไ้ไหมเนอะวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกจึงได้เกิดมีขึ้นกระทันว่านี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้เหมือนเป็นกระแสเรียกนะท่านผู้ฟังเป็นกระแสเรียก calling ภาษาอังกฤษก็ว่าเป็นกระแสเรียกให้ เห็นถึงช่องทางนี้ว่านี่นะตรงตรงนี้น่าจะใช่ทางนะเออใช่จริงๆนี่แหละแน่แล้ว อ, อ๋อทำไมคุณไม่ได้รู้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินกระแสะเรียกนี้เพราะว่ากำบังเนี่ยท่ฟังคือการตัดสินใจการเดินหน้าหรือการทำอะไร บางอย่างถ้ามีกรรมมาบังทําให้เราไม่เห็นทางนั้นทำให้เราคิดไม่ได้ทำให้เราไปไม่เป็นทำให้เรามันติดขัดแช่อยู่ในตรงจุดที่มันไม่ใช่ไม่ถูกเพราะกรรมมันมาบังเอาไว้พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิชัยก็ไม่เห็นข้อ น, นี้คือเห็นแต่ปักใจลงไปว่าฉันต้องทําทุกกรรกิริยาฉันต้องทรมานตน ปักใจลงไปตรงนั้นเอาทำไมถึงปักใจลงไปอย่างนั้นก็มันมีทางอยู่สองทางอะ่ะทางการฉันก็ทํามาเต็มที่แล้วตอนเป็นเจ้าชายหาไม่เจอในประสาทราชบัณ ร, ริตุธรรมไม่มีองค์นี้ก็ต้องมาลองวิธีที่เขาทํากันละ่ะแต่ว่าไอ้จังหวัดที่ลองเนี่ยนะคือมันก็มากจนแบบเป็นหลายปีนะจนจับท้องถึงหลังอย่างดีว่านะแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ ลองไปพบว่าเอ๊ะจิตใจมันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าใช่ละจะกลับตัวได้เร็วไม่ต้องเป็นหลายปีบางพระพุทธเจ้าก็สิบห้าวันบางพระองค์ก็แค่เจ็ดวันแต่พระสมณโคดมพระพุทธเจ้าของเรานี่ยฟาดไปหกปีนลนะจงังหวะที่บำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่เนี่ยหลายปีจนกระทั่งมาตามกระแส แห่งวิญญาณคือความรู้ที่เล่นไปตามความระลึกทันใจกรรมสัตานุสารีวิญญาณังคือตามกระแสะเรียกนั่นเองกระแสะเรียกของจิตใจให้ไปตามทางสายกลางจึงได้มานึกถึงคิดได้เลิกได้คือสี่ยาว่านี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้ สียานุโขอัญโยมัคโคโพธิยาติมัคโคคือตามทางนี้นี่แหละแน่แล้วตามกระแสะเรียกแล้วกระแสะก็คือทางนั่นเองให้ไปตามทางนี้พอมั่นใจอย่างนั้นก็จึงเลิกทําทุกขกิริยาเราภิกษุเป็นจาวักีที่มาคอยเฝ้าอยู่เห็นโพธิสัตว ลุกขึ้นไปกินน้ำล้างตัวเอา้าทำไมทำอย่างงั้นคิดว่าจะต้องบำเพ็ญตุกรกิริยาทำไมเลิกซะแล้วโอ้สมณโคโดมนี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆซะแล้วกลายเป็นคนมากๆไปเลยนะแค่อาบน้ำดื่มน้ำแล้วก็ไปบินฑบาดหาข้าวมากินตามแต่จะมีจะได้ กลายถูกเขาตราหน้าว่าเป็นคนมักมาไม่มีคนเข้าใจหรอกจิตใจของโพดิษัต์ก็ไม่เข้าใจหนีไม่อยู่ด้วยแล้วอยู่ด้วยก็ไม่เจริญคิดว่าอย่างนี้ในจังหวะที่เราคิดว่าเราไปตามกระแสเรียกนะตำรังในจังหวะที่เราคิดว่าเราจะไปตามทางที่ถูกหนทางนี่มันมันน่าจะใช่นะ จังหวะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับเรานะในกรณีของพระโพธิชัดนี่ไม่มีใครเอาด้วยนะเขาไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยทำไปตัวเองคิดว่าใช่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือหมายกวามว่าเอาตามทางสายกลางนี่แหละมาทำจิตให้สงบนึกถึงลมหายใจแยกแยะความคิด แต่พอแม้แต่ว่ามาทําตามทางสายกลางสมาธิก็เสื่อมตั้งหลายรอบพระโพธิชฌาของเราสิอรอบตามที่ท่านเล่าเอาไว้ให้กับท่านพระอนุรุทธาฟังบางครั้งทาสมาธิไปที่มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเหมือนเสื่อมหายไปเลยเพราะความง่วงง่วงแทรกเข้ามาเนี่ยมันง่วงสุดๆไปเลยสมาธิไม่ได้มีแต่หมึด เอาแก้ไขใหม่มันที่ไม่เอาน้ําล้างหน้าลุกขึ้นเดินขึ้นนั่งบางครั้งก็พักผ่อนบ้างเอาเออแก้ไขปัญหาได้แล้วสมาธิก็กลับมาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปอีกโอ้เพระาะความเพียรย่อดย้อนเกินไปเอาเงินเพิ่มความเพียรขึ้นพอความเพียรเพิ่มขึ้นเออได้ขึ้นมาเอาเพิ่มเกินไปอีกเอาที่เกินไปทําให้สมาธิก็เสื่อมไปอีกเอากงลดความเพียรลงมา ปรับลงมาแล้วยังมาเจอความตั้งใจเกินไปความกระสันอยากอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้สมาธิที่ได้ก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปแก้ไขโอเคก็ทำให้เกิดการเรียนรู้นะ่เรียนรู้โอเคแก้ไขพยายามทำคือมันได้บ้างไม่ได้บ้างนะให้จังหวะที่ได้บ้างก็ได้ไม่ได้บ้างก็ไม่ได้ คนที่จะอยู่เป็นกำลังใจให้กันคอยอุปถาอุปถรรัมป์กนนี้หายแล้วเฮ้ hey, นี่เรามาถูกทางไหมนี่เฮ้ hey, ถ้ามันถูกทางมันน่าจะได้บ้างนะจะวงหวะที่ว่าจะตั้งใจทำความเพียรชนิดไม่ถอยกลับเนี่ยนะทุกผู้ฟังที่ว่าอัปติวานีเนี่ยหนึ่งมันไม่ได้มีคนจะมาคอยเชียร์อัพ เหมือนเวลานักกีฬาเขาจะยิงลูกโทษสำคัญสาคัญเนี่ยจะมีกองเชียร์คอยให้กำลังใจต้องเข้าให้ได้ต้องเข้าให้ได้ไดนี่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยท่านฟังพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทตั้งใจว่าจะไม่เลิกความเพียรถ้ายังไม่บรรลุธรรมอยู่คนเดียวเรามนุษย์ที่จะมาเป็นเพื่อนคิดเพื่อนทาไม่มีหายหมด เอาตัวเองอยู่คนเดียวทําเองก็ได้ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันมองโลกในแง่ดีเป็นคนโลกสวยทําไปทําไปเออมันคงไ่ค่อยได้เหมือนกันนะเออลมลุกลุกลานจิตใจสงบบ้างไม่สงบบ้างคือมีความท้อแท้แน่นอนจิตก็ยังไม่สงบที่ว่าอยากจะได้มันยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้ยังไม่ได้ทํามาเท่าไหร่บําเพ็ญทุกขกรกิริยา ก็ไม่ได้มาปฏิบัติตามทางสายกลางได้บางไม่ได้บางยังมีความท้อแท้มีความไม่สุบแน่นอนทำไมถึงว่ายางนั้นมาฟังเพราะว่าลองลองดูดีตอนที่พระพุทธเจ้ามาลอยฐานนะหลังจากได้รับข้าวมันธุ ป, ปยาตคืออาหารจากนางสุชาดา ที่ตายตนใสอันเป็นที่พักรานของเด็กเลี้ยงแพ์เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็คือว่าหนังสุชดาเธอได้เคยบนบานสารกล่าวไว้ว่าเออถ้าแต่งงานแล้วได้ลูกชายครอบครัวดีึ่งก็จะมาแก้บนนะจนลูาอายุสิบกว่าวบแล้วตอนนั้นน่ะจะเป็นหนุ่มละถึงค่อยมีโอกาสกลับมาที่บ้านบ้านเดิมของตน จัดการดูแลการงานต่างๆแล้วก็จะมาทําการแก้บนที่ใดเคยบุญบานเอาไว้คนที่บน่นที่ว่าไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็คิดว่าการอธิษฐานนั่นแนหะคือการอ้อนวอนการบุญบาลสารกล่าวก็เพราะว่ามีความไม่แน่ใจไงเพราะว่ามีความที่บอกว่ายังมีส่วนที่มันไม่มั่นใจว่ามันจะได้นะขอบบนไว้ซะก่อนนี่เขาจึงมีประเพณี ค่านิยมวัฒนธรรมในการที่จะไปบนบานแล้วก็ต้องมาแก้บนจริงๆแล้วลักษณะการที่เราไปบนบานล้วก็ต้องมาแก้บนเนี่นะคือมันก็จะพูดว่าเป็นการอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะแต่การอธิษฐานจริงๆหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องโดยการเอาสิ่งที่เป็นอามิสิงจ้างมาเป็นตัวล่อ โอ้ถ้าเราจะไปเอาอาหาราเกรื่องบวงสรวงหัวหมูหรืออะไรก็ตามมาล่อให้เทวดาจะช่วยเราในกิจการงานอย่างไดอย่างหนึ่งอย่างนั้นหรอเป็นผู้ฟังเป็นเทวดาจะทำไหมอ่ะเรื่องบวงสรวงนั้นก็ไม่ได้กินด้วยซ้าเพราะว่าเทวดาก็มีอาหารของเทวดามนุษย์จะเอาอาหารมนุษย์ให้เทวดากินเทวดาเขาก็ไม่กินหรอก แล้วก็จะช่วยไหมเนั่นสิมันยังเป็นคําถามที่ก็ไม่รู้จะหาคําตอบได้ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นไงอธิฐานหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้านในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเธอตั้งใจมั่นใจว่าเอ้ยฉันเนี่ยจะต้องมีสามีแล้วก็จะต้องได้ลูกคนแรกเป็นลูกชายให้ได้นะสุขภาพดีจเจริญเ ต, บติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นมงคลของครอบครัว ทุกคนก็มีความปรารถนาที่อยากจะมีสุขพ้นจากทุกกคนนะทุกคนนะนนะไม่มีใครอยากได้ทุกไม่มีใครอยากที่จะเสียความสุขไปแต่ทำไมบางคนได้สุขบางคนไม่ได้ทุกแต่บางคนกลับได้ทุกไม่มีสุขละ่ะก็เพราะว่าเห็นตัวอย่างเหล่านี้แหละมันจึงทําไมต้องมีการบวงสรวงมีการ ทำเรื่องที่แบบงมงายหาเหตุผลไม่รู้เลยแต่ว่าทำแล้วรับสบายใจก็แล้วกันอ่ะแต่จะพูดในสมัยปัจจุบันก็สายมูนิดๆน่นะพระพุทธเจ้าตอเป็นบริชนะัทนะูฟังก็มีองค์ประกอบข้อนี้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวเองก็ยังมีโมหะอยู่นะนางสุชาดาเธอบนบานเอาไว้มาแก้บนหาอนิมิตูสิว่าชัญจะแก้บนจุดไหน เตรียมการมาอย่างดีท่านฟังจะทําข้าวที่หุงกับ น, น้ํานมให้น้ํามันน้อยๆแค่นั่นข้นๆเ ข, ข, ข, ขาเรียกว่าข้าวมันทุพยาดก็เอาวัวเป็นพันตัวปลูกเลยไรเชเอมปลูกเอาเชเอมไม่ได้ให้คนกินนะให้วัวกินให้วัวหนึ่งพันตัว ก, กินเชเอมในไร่นี้ทุกตัวไม่ได้ต้องกินหยา ให้กินเชอเอมเอามันก็หวานไงหวานแล้วรีดนมของ5้าร้อยตัวออกมาให้หมดเอานมของ5้าร้อยตัวที่รีดออกมาให้อีก5้าร้อยตัวเนี่ยดื่มกินแล้วก็พร้อมกับกินเชอเอมด้วยรียดนมของไอ้เจ้าห้าร้อยตัวที่เพิ่งกินนมของ5้าร้อยตัวแรกนั้นเอารีดแค่250หตัวเปแล้วก็เอานมของ250หตัวที่รีดออกมา ให้อีกสองรหตัวหนึ่งกินแบ่งครึ่งไปอีกเอาวัวมาร้5ยห้าตัวที่ปพิ่งดื่มกินนมของ250หตัวนั้นเอาสองหตัวนี้มาแบ่งครึ่งเหลือร้5ยีส้ารีดนมตัวร้5ย้านี้ออกให้หมดเอามาให้อีกร้5ย้าตัวที่เหลือกินแบ่งลงไปเรื่อยๆแบ่งลงไปเรื่อยๆเต็มไปฟังจนเหลือวัวตัวเดียวตัวสุดท้าย เอานมของวัวตัวสุดท้ายนี้ซึ่งจเราฟังลวงจินตนาการดูนะว่าโอ้โหมันจะมีความเข้มข้นของน้ํานมทั้งหวานทั้งข้นทั้งแบบว่าโอ้ทุกอยาก่างล่ะอยู่ในน้ํำนมของวัวตัวสุดท้ายนี้ปริมาณความเข้มข้นของโปรโตีนและสารอาหารต่างๆเนี่เต็มที่แน่นอนรีบออกมาแล้วได้นมหนึ่งหม้อเอามาต้ม ต้มเขียวลงไปใส่ข้าวลงไปจนมันค่นก็จึงจัดเอามาทำเป็นคำเป็นคำได้ทั้งหมด49คําคำในขณะที่นางเตรียมการอยู่นี้ก็หานิมิตอยู่เหมือนกันนะว่าเออเราจะไปบูชาเทวดาตรงไหนละ่ะหญิงรับใช้เนี่ยมาบอกว่านี่นี่มีเทวดานั่งอยู่ตรงนั้นคือคิดว่าโพธิสัดเนี่เป็นเทวดา มานั่งปรากฏตัวอยู่ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พัรกร้านของเด็กเลี้ยงแพะไม่ไกลจากบ้านมารดาของนางสุชาดาก็จึงคิดว่าจะนำอาหารนี้ไปถวายพระโพริชัเจังหวที่นำเข้าไ ป, ปรพระโพธิชัดก็ลืมตาขึ้นว่าเอาใครมาโอ้มีอาหารมาโอ้แต่ว่าก็ทำหน้าแบบฉุกคิดนิดหนึ่งนะนางสุชาดาเธอก็เป็นคนฉลาดท่ผู้ฟัง ว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทษนั้นคิดแล้วว่าพาชนะนี่มันเป็นภาชนะโลหะอย่างดีเราไม่ได้มีบาตรไม่ได้มีอะไรจานกระเบื้องอะไรที่จะเป็นภาชนะรับสิ่งของก็ได้แล้วเราจะรับมายังไงโดยทาหน้าชกคิดขึ้นห น, าน้าเนยเป็นคนฉลาดจึงกล่าว บ, บอกว่าอาหารนี่ก็จะให้ด้วยพร้อมกับถาดที่ใส่อาหารนี่มาก็ให้ด้วยให้หมดทุกอย่างเลย เธอก็จึงรับไว้จวังหวะที่รับมานั้นท่านผู้ฟังคือก็เธอน้อมเข้ามาใช่ไหมก็รู้ร ว, ว่าเป็นตำเนียมในการที่จะถวายของเธอก็พูดลักษณะบาปเป็นการแก้บนที่ว่าเธอได้บนบานศาลกล่าวไว้พระที่สัตรับอาหารนี้มาก็สุกคิดขึ้นนะท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยเราทําความเพลี่ยนป่านี้มันยังไม่ได้บรรลุธรรม ทำความเพียรทั้งภุกกกิริยาก็ผ่านมาแล้วมาปฏิบัติตามทางสายกลางจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างส่วนที่สงบก็มีแต่มันก็ยังไม่บรรลุธรรมนะมันก็ยังได้แค่ชั้นแปดมันยังมีความไปเกิดในภพอยู่นะยังไม่ได้ตั้งใจขนาดไหนก็ยังไม่ได้เฉพาะหมดหวังก็ว่าได้ทุกฟัง เพรามันทํามาปานนี้มันยังไม่ได้นี่มันสิ้นหวังไหมละ่ะคิดว่ามาตามกระแสรเรียกเออเห็นทางมาถูกแล้วโอ้ยจนกระทั่งว่าทั้งภิกษุปัญจวคีรีก็หนีหายหมดอยู่หัวเดียวกับทีมรีบจะทํำยังไงจะทํำยังไงคือด้วยความที่บอกว่าก็ฟุง้งซ่านนิดๆ น, นะทุกฝั่งโพลิชัดยังไม่เต็มที่ยังไม่ได้บรรลุธรรม ก็กินข้าวซะ ก, ก่อนแล้วกันกินข้าวแล้วตามตำนานก็ว่าไว้ก็เอาถาดที่ทำจากทองคำนี่แหละแต่ก็พระเจ้าว่าก็น่าจะเป็นถาดทองเหลืองถาดโลหะ ท, ทั่วไปที่ชาวบ้านเขาจะมีใช้ในเรือนของเขาได้เอาถาดโลหานั้นคือเดินข้ามแม่น้ำเนตรัญชรามาที่ต้นโพจังหวะที่จะขึ้นท่าน้ำตรงนั้น คือด้วยความที่ว่าก็เดียวรู้ใจ ย, ยังไงละคือก็อธิษฐานนะเสียงทายนะเสียงทายลอยถาดลอยถาดว่าถ้าจะได้บรรลุ ธ, ธรรมนะขอให้ถาดใบนี้มันลอยทวนกระแสน้ำไปตกลงตรงนู้นแต่ถ้าไม่บรรลุ ธ, ธรรมนะก็มันอยากจะไปไหนก็ให้มันไปก็แล้วกัน คือทำไมพระรพุทธเจตอนเป็นบริษัทเนี่ยทุกฟังถึงจะต้องมาลอยถาดด้วยเข้าใจไหมคนนี้ว่าถ้าตัวเองมีกำลังใจเต็มที่มีความมั่นใจเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นพันปอร์เซไม่ถ้าต้องจะมาสายมูมาเสียงทายอธิษฐานอ้อนวอนอะไรแบบนี้ละ่ะไม่ต้องไปตรวจสอบใครไงไม่ต้องให้เขามาแบบว่าให้กำลังใจไงไม่ต้องมาแบบว่าให้เามาเชียร์อ ไม่ต้องมาอยู่ด้วยดิฉันทําับฉันเองดิฉันบรรลุแล้วดิฉัก็จะบอกไม่เป็นอย่างนั้นไงท่าบอกเพราะมันหมดแล้วนะกาลังใจมันหมดแล้วคือเลนนี่เดียวจะเลิกแล้วเหมือนกันนะเหมือนตอนทําทุกรกิริยาน่ยนะเลิกแล้วมันไม่ได้นี่มันทําตามทางสายกลางก็ยังไม่ได้นะที่สงบอยู่ก็จริงบ้างแต่ก็ยังไม่ได้จะทํำยังไงภิกษุพันจบกีก็หายหมด จะอ่อนวอนขอร้องเราก็พยายามมาแล้วเอาเสียงไทยก็แล้วกันจงังหวะนั้นนะมีความท้อแท้แน่นอนจิตก็ยังสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ว่าพยายามตั้งใจคือสร้างกำลังใจให้ตัวเองเอางี้ดีกว่าพระวริจาตอนเป็นบริษัทสร้างกำลังใจให้ตัวเองว่าเอาหนะ้าฉันต้องบรรลุธรําให้ได้หนะ้าฉันต้องบรรลุธรรให้ได้หนะ้า เราจะต้องไม่ถอยกลับในการทำความเพียร น, นี้นะแต่เสียงทายลอยถาด น, นะเออมันก็แปลกยุ่งกันก็นั้นแหละเพราะว่าต้องการกำลังใจไงมันหมดแล้วลอยถาดไปว่าเอา้าขอให้ถาดมันเป็นทวนกระแสน้าไปถ้ามันจะบรรลุธรรมเอา้าลอยไปปุ๊บเอา้ามันทวนกระแสน้าจริงๆมีกำลังใจขึ้นมาทีนี้ อ้มันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงที่ว่าถานมันลอยถวนกระแสน้ําขึ้นไปคื อ, อนี้ตามหลักฟิสิกส์นะท่านงว่ากระแสน้ำเนี่ยมันก็เป็นหลายๆวนได้นะแล้วก็ในแม่น้ำในรัญชราช่วงในฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่ว่ามันจะมีน้ำไหลหลากมาเป็นแม่น้ําตื้นๆประมาณแค่เขาแล้วก็บางส่วนนี้ก็ไม่ได้ว่าจะมีน้ําอยู่ด้วย ยิ่งถ้าในฤดูแรงมิแต่ทรายด้วยซ้ำน้ำนี่หายไปอยู่ใต้ดินหมดที่บนผิวพื้นท้องแม่น้ำนี่ไม่มีน้ำเลยมีแต่ทรายจะมีน้ำมาไหลบ้างก็ช่วงฤดูฝนซึ่งน้ำมันก็เป็นไปตามกระแสของมันแะที่ว่าเปมันไม่เต็มมันก็จะไหลทวนบ้างอะไรบ้างจาังหวะนั้นก็จึงทำให้มีน้ำที่ไหลทวนกระแสดึงขึ้นใบ ฐานก็ลอยไปตกตรงนั้นพภทิจฉาเห็นนิมิตอย่างนี้ก็มีกําลังใจฮึกเฮือกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่บวงว่าโอ้ยฉันตั้งเจอธิษฐานนี้มันยัเป็นไปได้เาหนะ้าขอชอดสุดท้ายขอชอดสุดท้ายหมดแมกนะหมดแมกแล้วไม่ไหวแล้วต้องเสี่ยงตายแล้วต้องอธิษฐานแล้วเนี่ยแต่อธิษฐานคนนี้ไม่ใช่มา่าลักษณะแบบ บนบานสารกลาวเป็นนางสุชาดานะคือนางสุชาดาเนี่ยออนวอนขอผลโดยเอาอามิดอันใดอันหนึ่งมาแลกถูกปะซึ่งนั่นเป็นความงมงายแต่ว่าโพธิสัตว์คือหากำลังใจคือไม่ได้อ้อนวอนว่าเออเนี่ยถ้าฉันบรรลุอนุตรสัมมาสัมโวิยานนะออฉันก็จะมาบูชาด้วยดอกไม้เจ็ดสีใที่ต้นโพธิริมฝั่งแม่น้ำนิรันชรา มันไปอางนั้นมันไม่ใช่แล้วไงอันนั้นจะไม่ใช่พระพุทธศาสนาละเพราะยังมีการอ้อนวอนขอร้องบนวานสารกล่าวแต่ท่านทำการเสี่ยงตายเพื่อให้เกิดกำลังใจทําทำไมคนเราต้องทำการเสี่ยงตายเพื่อให้เกิดกำลังใจก็มันไม่มีกำลังใจแล้วหมดแล้วไม่ได้ทำไมไม่รู้ทำไมเป็นไม่เคยทำมาก่อนท้อแท้แน่นอนสงบบ้างไม่สงบบางหมดทุกอย่างแล้ว ไม่ได้จะเหลืออะไรให้เอาแล้วเหลือข้อนี้ข้อเดียวนะที่ว่าจะเอาได้ว่านี่เป็นกำลังใจของฉันจึงตั้งใจขึ้นทมบฟังตั้งใจนี้คืออธิษฐานตั้งใจนี้คือความตั้งใจชนิดที่ไม่ถอยกลับมีความไม่ถอยกลับในการตามความเปลี่ยนนึกถึงตอนที่นางสุชาดาอธิษฐานาเื่อเะอธิษฐานอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ เอาเราอธิษฐานคือตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งนี้เหมือนต่างกันนะเหมือนนางคนละมวลดูฟังใช้คำว่าอธิษฐานเหมือนกันแต่คนละอย่างอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนบอนกรรองไม่ใช่การที่จะบ่นบานชานกล่าวแต่การอธิษฐานเป็นการประกาศเป็นกรรมประกาศเป็นการกระทาที่ประกาศขึ้นในจิตใจตั้งไว้ให้ดีว่า ฉันจะทำสิ่งนี้ชนิดที่ว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่ถอยกลับอภิวานังสุทาหังปะทะหามิด้วยความตั้งใจว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่เลิกกลางคันสำเร็จอะไรสำเร็จบรรลุอนุตราชัลมาสัมโอริญานเลยตอนที่ตั้งใจอธิษฐานทำความเปี่ยนประเภทนี้นะทุกัง คือยังไม่ได้นะยังไม่สมเ็จุใช่ปะแล้วเวลาตั้งใจอธิษฐานในข้อนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าทกากำลังเดียวหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ใช่ว่าตั้งใจอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาแล้วล้วก็จบละไม่ใช่ก็ยังมานึกต่ออีกที่ใต้ต้นโพเดินขึ้นจากฝั่งแม่น้ำเนรัญชาแล้วได้รับยามาแปดกมก็มาปูเป็นที่รองนั่ง อยู่ที่ใต้ต้นโพถึงสมัยก่อนนั้นเขาก็ยังไม่ได้เรียกว่าต้นโพหรอกทุกฝังเขาเรียกว่าต้นอัสตะปฤกซึ่งปอมาภายหลังก็จึงรีเนมเรียกชื่อต้นอัสตะปลึกนี้ใหม่ว่าเป็นต้นโพคือเพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ที่บรรลุธรรมต่างกันบางรูปก็ไปนั่งใต้ต้นสายระบรรลุ บางรูป ก, ก็นั่งใต้ต้นอัสตะพรึกบรลุเขาก็จะเรียกต้นนั้นในสมัยนั้นว่าต้นโพต้นใสบางทีบางสมัยของพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ถูกเรียกว่าต้นโพเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทนั้นเอาอยาแปรกรรมมากรองตั้งไว้อยู่ที่ใต้ต้นอัสตรพบรึกทำความเปลี่ยนกย้าลงไปอีกอธิษฐานลงไปอีก ตั้งใจลงไปกีการตั้งใจตั้งจิตจริงๆนะทากฝังมันคือจิตตะในอิธิบาทสีหมายความว่าคุณต้องคิดนึกอยู่เรื่องนี้ตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าอธิษฐานไปแล้วก็ลืมไปละตั้งใจแล้วก็ลืมไปละลืมไปละมันจะไปสําเร็จได้ไงจะให้เกิดความสําเร็จเป็นอิธิบาทต้องมีจิตตาไงไม่ใช่ทําครั้งเดียวการอธิษฐานนี่ไม่ใช่คิดถึงแค่ครั้งเดียวตอนที่เริ่มทำนั่นนะ แต่คิดถึงอยู่เรื่อยพิจารณาซ้ำๆย้ำๆตั้งจิตอยู่เป็นประจำคิดถึงเรื่องนี้อยู่อย่างเดียวไม่คิดเรื่องอื่นคือเป็นจิตตาไงจิตตาในอิธิบาทสี่ตั้งไว้ด้วยตั้งตามอะไรก็ตามมักแปดละที่ว่าแน่ใจแล้วว่านี่คือหนทางแห่งการตรัสรู้มั่นใจแล้วเอาตามทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่เอาสติสัมปชัญญะตั้งไว้ ฉันจะไม่หลุดจากสติไม่หลุดจากความเพียรเลยถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิให้อยู่ตามทางตลอดนี่ปริษัทกียติอย่างนี้นะมานั่งลงที่ใต้ต้นโพนั่งลงด้วยท่าที่ขัดสมาธิมือไว้บนตากหลับตาทำจิตให้สงบ ตั้งจิตดิ่งไว้ต่อสัมมาสัมโพธิญานมาใกล้ขรุนไตรตรองเกิดความรู้คือวิชาว่าในอดีตผ่านมาเป็นยังไงเกิดความรู้คือวิชาว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเกิดความรู้คือวิชาว่าอ๋ออาสวะมันสะสมอย่างนี้อย่างงี้มันละได้อย่างนี้อย่างงี้ในช่วงระหว่างที่จากสมาธิเป็น วิชาคือปัญญาเกิดขึ้นในธรรมว่า ง, งมารก็มากวนมารนี่หมายถึงผู้ล้างผ่านความดีคิดว่าวันนี้โพธิชั์มมันไม่ได้ละอุชาติขัดขวางมาตลอดมานี่นะขัดขวางมาตั้งแต่ตอนทําทุกรร ก, กิริยาว่าถ้าเขาทําทุกรกรกิริยาแล้วเขาจะบรรลุธรรมเออเรขวางไว้ขวางไว้มาในรูปของการเห็นอกเห็นใจนะ โอ้อย่าทำเลยมันเหนื่อยมันเมื่อยมั น, มนหิวนะกินข้าวเถอะนอนพักเถอะกลัวว่าเขาบรรลุธรรประสงค์ร้ายแต่มาในรูปของเจตนาดีคนนบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจนะว่าที่เขาพูดดีๆเนี่ยเขาหวังดีหรือเปล่าเขาอาจจะหวังร้ายก็ได้แต่มาในรูปของเจตนาดีดีว่าเหมือนมารนี่แหละไม่ฟังพระบริรรมไม่สนต่อไปปฏิษัทนั้น มาอีกตอนทําทางสายกลางแล้วอยู่ใต้ต้นอัสสัตบ ร, รุกแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่ที่นั่งของเธอฉันจะนั่งตรงนี้เพระโพธิษัตว์ตวังตั้งจิตอธิษฐานนะก็ะไม่ได้ว่าจะแบบไปหาเรื่องกับใครนะไม่ต้องการมีเรื่องกับใครอยู่แล้วก็้าใจปะจิตใจไม่มีเวนจิตใจแบบสบายทาสมาธิได้ เ, เขาจะไล่เราหนีเราก็ไปก็ได้เราก็ไม่นั่งตรงนี้แล้วมันก็ประกอบกับว่าพอจาังหวะที่มารมานี่นะเขาพูดถึงในตำราคำปีเนี่ยโอ้เป็นกองทัพของมารมีเนรมิตกลายขึ้นให้เป็นลักษณะที่น่ากลัวเป็นช้างสีดำที่มีงาเป็นสีเงินยวงเป็นกองทัพกองพลเร่งต่างมากันเต็มมากมาย เนี่ยจะเป็ น, นเรื่องที่เป็นบุคลาธิฐานก็ได้นะแต่ว่าในตำราคมพีเขาว่าไว้อย่างนี้ในจังหวะที่มารมาจะรุกรานให้พระโพธิสัตว์เลิกทำความเพียรอย่ามานั่งอยู่ตรงนี้ให้จิตไม่สงบหนีไปที่อื่นจังหวะนั้นพวกเทวดาี่ยให้หมดนะทุกฝังปกติแล้วเทวดาเนี่ยก็จะมาอยู่คอยดูแลคุ้มครองอำนวยความสะดวกให้โพธิสัตว์ คนไม่อยู่แล้วแต่เทวดาก็ยังอยู่เทวดาก็มาคอยดูว่าเมื่อไหร่จะบรรลุธรรมน้าเออจะได้ฟังธรรมด้วยพวกวิสุปันจบกีนี้แล้วเพราะว่ามาเลิกทําทุกรรกิริยาแล้วแต่เทวดายังอยู่เทวดาก็หนีแล้วด้วยจวังหวะที่มารมาเนี่ก็ัง้งฝังลองคิดดูนะว่าในการที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันประสบความสําเร็จ ตั้งใจไว้เต็มที่เลยนี่นะชนิดที่ว่าถ้าไม่สาเร็จจะไม่เลิกกลางคันนี่นะแล้วไม่มีใครเขาเข้าใจอยู่ด้วยเห็นหอกเห็นใจเชียร์อาบสนับสนุนไม่มีเลยนะไม่มีเลยยังมีแต่คนมาขวางมีมานมาเป็นอุปสรรคก็ไอตอนที่ตั้งจิต ตั้งใจว่าจะทําสิ่งนี้อย่างแน่วแน่แรงกล้าคือตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยไม่ได้อธิษฐานเอาศัตรูนะไม่ได้อธิษฐานว่าจะให้ต้องมีสุขหรือพ้นจากทุกข์คือสุขทุกเราไม่ได้แคร์นะตั้งใจจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จในกระบวนการการทำสิ่งนี้ให้สําเร็จก็ไม่อยากมีศัตรูอยู่แล้วอยากให้มันผ่านไปในเรื่องแต่ที่มันมีสุขเอาแต่ว่าถ้าจะสุขหรือจะทุกข์ฉันไม่แคร์ฉันจะทําให้มันได้ก็แล้วกัน ในีวระหว่างนี้ก็คิดถึงเรื่องที่อธิษฐานอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นจิตต่างไงย้ำลงไปอธิษฐานน่ย้ำลงไ ป, งไปแต่พอมานบอกว่าอ้ให้หนีตรงนี้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ที่ของท่านคนที่จะมาร่วมช่วยกันไม่มีศัตรูก็ไม่อยากได้เอา้าไปก็ไปจึงเอามือขวาในรูฟังยกขึ้นออกจากตักม า, าวางไว้ที่หัวเขา่า ในลักษณะที่มือคว่ําลงจะเอ็งกายดันตัวเองขึ้นจังหวะนั้นเหนี่ยนิ้วมือไปโดนที่ผืนถึงทําให้นึกขึ้นได้คือเพราะว่าพระโพธิชัดนี้ตั้งใจมีสติสัมปชัญญะอยู่ในกายตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าทําความเพียรชนิดไม่ถอยกลับแล้วะจะไม่บรรลุก็จะไม่เลิกทําความเพียร น, นี้หมายถึงตั้งสติสัมปชัญญะไว้ยอย่างแรงกล้าเลย รู้ถึงการเคลื่อนไหวลักษณะความเป็นไปของกายตัวเองทั้งหมดพอนิ้วมือไปโดนที่ผืนมาฉุกคิดนึกขึ้นได้ตามฝังว่าเฮ้ hey, ถ้าเราไปนั่งที่อื่นใหม่แล้วมันก็ตามไปกวนให้หนีต่อไปอีกเ ร, เราก็ย้ายไปที่อื่นต่อไปอีกเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับใครให้าย้ายไปเรื่อยๆอย่างนี้ร้อยปีแล้วพวกนี้มันจะหาเรื่องอยู่แล้วนะ สู่เอาเอาก็เท่าวันนี้ตายก็ตายเอาอยู่คืนเดียวแบบเนี้ยวันเดียวแบบเนี้ยมันยังดีกว่ามาคิดว่ายางี้ถ้าว่าวันนี้ตายแล้วทำความเปลี่ยนชนิดไม่ตอยกลับไม่ต้องไปกังวลเรื่องศัตรูหรือเรื่องมิตรจิตใจฉันจ่ออยู่อันนี้อันเดียวไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่น ที่ใครจะมาจับความคิดนั้นใส่ให้เราถ้าจะต้องไปคิดนั่นนี่ไปต่อนั่นนี่ร้อยปีโอ้ยไม่ดีเท่าว่าวันนี้เอาวันนี้ให้มันสำเร็จหรือไม่วันนี้ก็ต้องตายไปเลยก็แล้วกันเอาตายแบบนี้ยังดีกว่ามาคิดได้อย่างนี้ก็จึงไม่ลูกขึ้นอยู่ท่าไหนาท่านั้นมาเห็นบริษัทหยุดกึกนี่ ก็เลยถามขึ้นบอกว่าไหนอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าที่นั่งตรงเนี้ยมันเป็นของท่านคนเราเวลาตั้งใจจะทำอะไรนะทำฟังมันไม่ได้อยู่ที่คำตอบหรอกมันอยู่ที่คำถามคุณตั้งคำถามใ้ถูกไหมเพราะคำถามจะเป็นตัวที่ให้จิตของเราตรึกตรึกคิดนึกไปต่างนั้นถ้าคุณถามคำถามผิดนะตรึกตรึกคิดนึกไปผิดทาง จนเรานั่งสมาธิเราไม่สงบใช่ปะเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมจิตฉันไม่สงบนะโอทําไมตรงนี้ฉันก็ทําไม่ได้ทําไมฉันก็บวัวแล้วทําไมฉันก็ไม่เห็นอะไรเลยโอยจิตใจวุ่นวายทำไมเป็นอย่างนี้จะถ า, ามอย่างนี้ใช่ปะมันก็จะมีแต่คําตอบว่าก็แก่อ้วนเขาแก่ก็โง่ด้วยแล้วแก่ก็มันบุญน้อยบาปหนาะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวร ก, ก็ตามจองล้างจองปลานอยู่เนี่ย มันก็จะมีแต่คำพูดแบบนี้ออกมาเพราะอะไรเพราะคุณโฟกัสไว้ผิดจุดด้วยคำถามที่ไม่ควรจะเป็นคำถามเลยคำถามที่ควรจะเป็นคำถามในที่นี้จึงควรจะมีว่าเฮ้ยที่เรานั่งสมาธิชั่วโมงนึงเนี่ยมันได้บ้างไม่ได้บ้างเอ้ตรงที่มันไม่ได้โอเคมันก็ไม่ได้ละเอ้ตรงที่มันได้มันไดมาไดไงเอ้ตรงที่จุดสงบแ่บมันมีไหม เออมีหนึ่งนาทีสองนาทีตรงนั้นเออมันดำยังไงนะไหนลองว่าดูดิพอเราตั้งคําถามถูกนะว่าไอ้ตรงหนั้นน่ะจิตคุณสงบได้ยังไงนะนี่คือตั้งคําถามใช่ป่ะเป็นคําถามถูกใช่ป่ะหมายความว่าจิตเรามันจะน้อมไปทางนั้นงไงน้อมไปทางที่ว่าไอ้ตรงนั้นคุณดำมาได้ยงไงโอ้เพราะว่าก่อนหน้านั้นนี่อาบน้ํามาก่อนร่างกายสบายโอ้วันนั้นกินอาหารพอดี โอวันนั้นไปเดินจงกรมมาด้วยมันจึงทำได้หนี่ยนั่งสมาธิได้โอ้วันนั้นมีการสวดมนต์หรือวันนั้นอ่านหนังสือเรื่องนี้อ่านพระสูตเรื่องนั้นมันจะมีคำตอบประเภทนี้ออกมาเพราะคำถามที่เราชงเข้าไปเป็นคำถามที่ดีดูชากการที่ว่าจิตเราน้อมไปในทางกุศลหรืออกุศลประมาณถามว่า อะไรเป็นผู้ดึงพิสุจน์วันนี้เป็นที่หนังของดันเท่านั้นลหะทุ่มวังโฟกัสถูกจุดแล้วืองทีเราไม่รู้จะไปทางไหนใช่ปะคำถามนั่นแหละจะเป็นตัวที่พาเราไปให้ถูกทางเราจะไปทางไหนเราจะไปทางไหนช่องไหนจะเป็นทางออกที่จะไม่ให้เลิกความเปลี่ยนช่องไหนจะเป็นทางออกที่จะให้ดํารงอยู่ในความเปลี่ยนนี้ได้ เอาช่องนี้แหละเครื่องพิสูจน์นี่แหละเครื่องพิสูจน์วันนี้คือที่นั่งของฉันก็มาที่นั่งหมายถึงที่ฉันทําความเพียรอยู่ตรงนี้ที่ไหนมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละไปนั่งที่ไหนมานก็ไหล่นี้ไปนั่งที่ไหนเขาก็ไตตามหนีอีกตรงไหนมันก็จะหาเรื่องอยู่นั่นแหละเอาตรงนี้วันนี้เดี๋ยวนี้อะไรเป็นเครื่องที่จะทําให้ท่านบรรลุทําได้นี่จึงเป็นคำถาม ที่ควรจะเป็นคำตามในที่นี้คำถามในรูปแบบดิบๆฟอมๆเดิมๆ ม, มามทีเราต้องแต่งนิดนึงนะแต่งนิดนึงให้เกิดความเข้าใจนึกซึ้งในจิตของปฏิษัทว่าอะไรเป็นเรื่องยืนยันที่จะทําให้เกิดสัมมาสัมปชิญญะอะไรอะไรนึกถึงบารมีที่ได้บําเพ็ญมาถึงวังบารมีในตลอด เวลายาวนานที่ได้บำเพ็ญมาทั้งสิบทัศทั้งยี่สิบทัศทั้งสามสิบทัศบารมีเหล่านั้นทั้งหมดเริ่มมาจากฐานบารมีอธิฐานบารมีศีลบารมีเนคมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีบารมีคือขันติบารมีคือสัจจะ บรมีคือการอธิษฐานบรมีคือเมตตาบรมีคืออุเบกขาทั้งสิบบรมีนี้ที่เป็นขั้นกลางคืออุป ป, ปารมีที่เป็นขั้นสูงสุดคือปรตถ บ, บรมีทั้งหมดมานั่นแหละเป็นจุดที่จะทำให้เกิดการตรัสรูธรร้ธรรมบรรลุธรรมบรมีนั้นอยู่ที่ไหน มาระลึกถึงระลึกถึงบุญที่เคยได้ทำมาเรื่องของทานเรื่องของศีลทานก็นเป็นจาการนุสติศีลก็เป็นศีลล่าวนุสติเมตตาอุเบกขามาเต็มนึกถึงแล้วทุกครั้งทุกครั้งที่ให้ทานได้กรวดน้าเอาไว้โพธิะชาของเราในชาตคนก่อนนะนะกรวดน้าเอาไว้น้ำนั่นแหละจะเป็นหลักฐานในการบำเพ็ญบารมีของเรา ว่ามันได้มากน้อยแค่ไหนเอาน้ำทั้งหมดนั่นมารวมกันดูนีน้ำที่เกิดจากการให้ทานแล้วกรวดน้ำอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนในแผ่นดินนี้ให้น้ำนั่นนะ่ะมารวมกันโชว์ให้มาดูสิว่านี่แหละคือบา ร, รมีคือความดีที่เราจะสมไว้เป็นเหตุที่จะคู่ควรต่อกา ร, ร, การบรรลุสัมมาสัมปวิญาณ ให้แม่ธรณีเป็นพยานนำน้ำเหล่านั้นมาจึงเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นกันแหละว่ามีน้ำพัดพาพวกมานเนี่ยให้นี้ไปหมดทำลายมานให้ไปหมดตรงนี้แหละก็จึงมีพระพุทธ ร, รูปที่เรียกว่าปางมานวิชัยคือปางที่เอาชนะมาได้โดยจะเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่ในท่านั่งคัสมาที่แล้วมีมือขวา มาพาดไว้ที่ตักในลักษณะที่ฝ่ามือคว่าลงนิ้วมือเนั่นจะยาวลงไปจนเกือบถึงพื้นเขาเรียกพระพุทธรูปที่อยู่ในลักษณะนี้ว่าปางมานวิชัย mm. ก็มาจากจุดนี้แหละเหมือนสำคัญที่คำถามนะดูฝังที่เราจะโฟกัสเราจะตั้งจิตลงไปจุดไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเงื่อนไข แห่งความสำเร็จของเราความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ปธิฐานไว้ตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกกลางคันอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยแห่งความสำเร็จนั้นตั้งจิตไว้ที่นั่นจิตตะใส่ใจไว้มีวิมังสา คือการพิจารณาไตรตรองใคร่ครวนแก้ไขปรับปรุงมีฉันทะวางไว้มีวิริยะคือความกล้ากล้าในการที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากล้าที่จะลงมือทำถึงแม้ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามมางทีมันขี้เกียจก็ไม่อยากทำทั้งๆั้ที่รู้ว่ามันควรจะทำ อ, อ๋อแต่ก็ทำอยู่ดีเรามีความกล้า ขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําทําแล้วตั้งอิธิบาตเสียไว้มันจะสําเร็จได้ไรโพธิชัดนั่งอยู่ใต้ต้นโพนึกถึงบารมีต่างๆเหล่านี้แล้วบุญมาเต็มและตัมบูฝังคือบารมีที่สั่งสมไว้ทั้งหมดมาทีละน้อยละน้อยในแ ต, ลต่ละชาติละชาติสั่งสมไว้สะสมไว้ผู้จึงเรียกว่าเป็นบารมี บารมีก็คืออาสวะในส่วนดีส่วนบุญที่สะสมไว้นั่นแหละมาไตรตรองใอ้อใดขวอห่งอดีเราทามาป่านนี้วิชาที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นเห็นไปในอดีตว่าเคยเกิดมาชาตินี้เป็นนันนี้อายุเท่านี้ทำความดีอันนี้ตายแล้วไปเกิดในชาตินั้นต่อมาเป็นอย่างนี้อ่อดีตเราเป็นอย่างนี้อดีของคนอื่นเป็นอย่างนี้ เกิดวิชาที่หนึ่งขึ้นใกล้ครคูรนต่อไปแล้วอนาคตเป็นยังไงจึงเป็นวิชาที่สองเห็นว่าโอ้อนาคตนี่ถ้าคนทำดีอย่างนี้มันจึงไปอย่างนั้นถ้าคนทำชั่วอย่างนี้ก็ไปอย่างโงนมีตาทิพย์เห็นหมู่สัตที่กำลังจุติคือตายคือเคลื่อนที่กำลังอุบัติคือเกิดว่าเป็นอย่างนี้ีาตามกรรมดีหรือไม่ดีของเขาของเขา เห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเห็นอดีตเห็นปัจจุบันเห็นอนาคตจะเห็นแพทเทิร์นต่อมังคือพอเราตั้งคำถามไว้ถูกจุดโฟกัสจิตของเราไปให้ถูกที่มีคำตอบเกิดขึ้นในคำตอบที่เกิดขึ้นนั้นเราจะเห็นแพทเทิร์น Pat เทิรของคําตอบที่มีมานั่นจะเป็นทางแห่งความสมําเร็จคําว่าแพท t ทิร์างหมายถึงความที่มันซ้ําไปซ้ำมาได้นะมีเหตุนี้มีผลนี้มีเหตุนี้มีผลนี้อานั่นแหละคือแพทเทิรมีเหตุนี้มีผลนี้มีเหตุนี้มีผล น, ผลนี้คุณจะหวังผลนั้นคุณก็สร้างเหตุนี้อ่านั่นคือความสําเร็จแพทเทิรแห่งความสําเร็จเราจะเห็นในคําตอบจากคําถามที่เราตั้งไว้หกจุด ฟังให้ดีนะทุกคฟังแพทเทิร์นคือรูปแบบที่มันซ้ำๆย้ำๆของความสำเร็จอันใดนหนึ่งที่เราต้องการจะมาจากการสังเกตคำตอบการสังเกตคำตอบคือคุณตั้งสติไว้ให้เกิดปัญญาเห็นแพทเทิร์นใช่ไหมคุณจะมาโฟกัสหาคำตอบได้ไงคุณก็ต้องตั้งคำถามมาให้ถูกจุดตั้งคำถามมาให้ถูกจุด ได้คำตอบมาแล้วสังเกตเห็นคำตอบด้วยปัญญาให้รู้ถึงแพทเทิร์นคือรูปแบบที่มันจะสำเร็จได้ลงมือทำบริษัทนะเห็นแพทเทิร์นนี้ใช่ปะเพราะมันเกิดมันดับนี่นาะมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยท่านเปรียบไว้เหมือนกับในแอ่งน้ำอยู่บนภูเขาสูงนี่ มีซอกเขาซอกผาแล้วก็มีน้ำขังอยู่ในน้ำนั้นมีทั้งเต่ามีทั้งปลามีทั้งหินมีทั้งก้อนกรวดบางตัวก็ว่ายอยู่บางตัวก็อยู่เฉยๆน้ำนี่ใสปิ้งเลยมองเห็นเกิดความแจ่มแจ้งทะลุตะลวงในรูปแบบแห่งความเกิดขึ้นและความดับไปว่อ๋อสิ่งนี้มีเหตุเกิดอย่างนี้ เหตุเกิดของอาสวะเป็นอย่างงี้เหตุเกิดของทุกข์เป็นอย่างงี้ตัวทุกข์เป็นอย่างงี้อย่างงี้ตัวอาสวะเป็นอย่างนี้ อ, นอย่างา ง, า ง, าปปา ง, างี้เอาเท่เห็นมันดับไปอ่ะเอาความดับของอเจ้าทุกข์ความดับของเจ้าอาสวะความดับของเจ้าสิ่งต่างๆก็มีนะหเห็นความดับของมันเราแล้วมันดับไปได้ไงเห็นถึงทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของมันด้วยโอ้ว่ามันต้องเป็นอย่างงี้อย่าง น, านี้ ดับได้เพราะว่าเอาทำความดีมาอย่างนี้เห็นอย่างนี้เห็นนอริยสัตว์สี น, นั่นเองเติฟังริยสัตสีจึงเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบที่บริชัทเห็นจากคำตอบที่ท่านได้จากการตั้งคำถามที่ให้ถูกจุดในบารมีต่างๆที่ได้บมเพ็ญมาตกนโรกมีนะ กุญสวรรค์ก็มีนะเกิดได้ดับได้บุญก็หมดได้บาปก็หมดได้บุญก็เกิดได้บาปก็เกิดได้ทั้งหมดเหล่านี้สะสมอยู่ในจิตเห็นแพทเทิร์นนี้แล้วทำยังไงทู่มฟังคือปัญญาของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งนะข้าพเจ้าเองคือไม่สามารถที่จะอธิบายความเข้าใจในจุดนี้ของพระพุทธเจ้าได้หรอก แต่แนวทางมันมาแนวแนวนี้แหละว่าเห็นระยะสัจ ส, สีแล้วเห็นแยกไปอีกสามอย่างคือเห็นตัวทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นว่าโอ้ทุกข์นี่ต้องแจมแจ้งเข้าใจสมุทัยคือตัณหานี่มันจะต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคนี่ต้องทำให้เจริญลึกลงไปอีกนะแจมแจ้งไปอีกว่าแพทเทิร์นเหล่านี้แต่ละอย่างเป็นยังไง ตัวมันเป็นยังไงความเกิดขึ้นความดับไปของมันแต่และอย่างละอย่างเป็นยังไงยางไงลึกซึ้งจ่มแจ้งทรลุทะลวงความจ่มแจ้งนี้เป็นผลพวงทาให้กิเลสในจิตใจของท่านเนี่ยมันหมดไปกิเลสมันหมดไปเหมือนบทขี้ยิรากไม้ที่เราเผามาจนเป็นขี้เท่าแล้วนะโมลกุณเผารากไม้ให้เป็นขี้เท่ามาได้ไง ก็สับให้เป็นท่อนน้อยๆก่อนเอาแล้วจะมาทําให้เป็นท่อนน้อยๆได้ไงก็สับเป็นท่อนใหญ่ๆมาก่อนเอาเราเป็นท่อนใหญ่ๆมาได้ไงก็จากที่มันเป็นทั้งต้นขึ้นมาเนี่ยแหละเอาแล้วคุณไปตัดมันทําไมไม่อยากให้มันมีเงาเราไม่ต้องการเงาของต้นไม้ที่พืชนี่ตัดมันที่โคนเลยต้นไม้ขุดรากออกมาให้หมดหั่นจากทั้งต้นให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทาจากท่อนใหญ่ให้เป็นซี่ๆ เอาที่เป็นซี่่แล้วไปเผาเผาให้ยับเผาให้จนเหลือแต่ขี้เท่าเอาขี้เท่านั้นมาบดเป็นผงละเอียดโรยไปในกระแสลมที่พัดจัดหรือให้ลอยไปในกระแสน้ามันเชี่ยวเงาของต้นไม้อยู่ไหนในกระบวนการที่เราเผาเราขจัดเราตำเราขยี้เงามันหายไปเองทั้งฟังเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ เหมือนตานยอดด่วนในเวลาที่พระพาาุทธเจ้าพิจารณาใครครุ่นเรื่องนี้นะอริยสัจสีมักงกงแปดวิชาหนึ่งสกิเลสมันหมดไปจากจิตใจของท่านจึงได้กล่าวขึ้นณนะที่ใต้ต้นอัสสัตตป ร, รกในเวลานั้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเป็น ย, ยามสุดท้ายของราตรีจะหมดเวลากลางคืนแล้วพระอาทิตย์กาลังขึ้นมาแล้ว ท่านจึงกล่าวขึ้นดังนี้ว่าเมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างมัวสอาหาหนายช่างปลุกเรื่น อ, อยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นนันเอกาชาติความเกิดเป็นทุกร่ำไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลุกเรื่นเอ๋ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราเคยหิ้วเสียแล้วจิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ยั่วยาไม่ได้เช่นแล้วมันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่างบาลีว่า อเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิภิสังขหการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังขหการักขทิฏโธสิปุนะเคหังนักาหาสิสัพพาเตพาสุกาภะคาขหกูตังวิสังกตังวิสังขารักะตังจิตตัง ตันหาหนังขยะมัจฉาคติจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีจุดเริ่มมาจากตรงนี้เป็นปฐมพุทธพจน ท, ท, ที่ได้อุทานขึ้นกล่าวขึ้นนะใต้ต้นโพในยามที่ซึ่งสุดขืนนั้นเริ่มต้นวันใหม่ขึ้นมา ในช่วงของจิตต ว, วิเวกนั้นจะมาพบกับธมรมฟังเป็นประจำในตู้ธนาคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6กโมงเชา้าั้งสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆข้าพเจ้าพร ะ, ระมหาไพาบูณ์อาภีปุนโนพบกันไหมนในวันพรุ่งนี้เจริญปร